ทุติยะคังคาไปยานละวัคหมวดว่าด้วยคังคาไปยานที่สองหนึ่งปฐมมปรมปาจีนนิณสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีนสูรที่หนึ่งพิสุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลาไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิสูข้อฉันนั้นเหมือนกัน เ huh มื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิ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 ปฐมปาจีนินสูตรที่หนึ่งจบสองถึง6ทุติยาที่ปาจีนินสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยะปาจีนินสูตรเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาวไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลายแม่น้ำอจิราวดีไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาวไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำสระผูไหลไปสู่ท <im> <Bra> ิศปราจีบ anyway. นบาไปสู่ทิศปราจีนลาวไปสู่ทิศปราจีนแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำมหีไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาวไปสู่ทิศปราจีนแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิราวดีแม่นม้ำสรภูแม่นม้ำ ม, ม, มหีทั้งหมดไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทุติยาทิปราจี น, นิณสุตตะปัญจกะที่สองถึง6จบ เจ็ดปฐ ม, มสมุดท่านนินะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําไหลไปสู่สมุดสูตรที่หนึ่งพิสูทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลาไปสู่สมุดบาไปสู่สมุดลากไปสู่สมุดแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมัคมีองค์8ทําอาริยมัคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน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 อันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกสุทั้งหลายภิกสุเมื่อจเจริญอริยมัชมีองค์แทดทำอริยมัชมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพระธมมาสมุทท่านนะิณะสูตรที่เจ็ดจบ ถึงสิทุติยาที่สมุทธานินสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยสมุทธานินสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลาไปสู่สมุทรแม้ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลายแม่น้ำอจิราวดีไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทร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 แม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำสระูแม่น้ำมาฮีทั้งหมดไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยามัสมีองค์8ดทำอริยามัสมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ภิกษุเมื่อเจริญอาริยมรรคมีองค์8ปดทำอาริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง8ด เจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรตมีองค์8ทําอริยมรตมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลทุติยาที่สมุทนา น, นนะิสุตตะปัญจกะที่8ปดถึงสิจบ หมวดที่สองว่าด้วยธรรมเป็นที่กําจัดราคะมี12สูตรคือ6สูตรแรกว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน6สูตรหลังว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําหลายไปสู่สมุทร 13. ปฐมมะปราจีนนิณสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลายไปสู่ทิศปราจีนสูตรที่หนึ่งภิษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาหลายไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาวไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึง8ด จเจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจเจริญอริยมามัคมีองแปดทำอริยมามัคมีองแปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนเป็นสู่นิพพานอย่างนี้แลปฐมมะปาจี น, นิณะสูตรที่สิบาจบ สิบสถึงสิทุติยาทิปาจี น, นิณะสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยาปาจี น, นิณะสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลาไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาวไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำอจิราวดีหลายไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำโสระูหลายไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำมห teeth, ีหลายไปสู่ทิศปราจีน บาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำาสระูแม่น้ำมหีทั้งหมดไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะปัญจกะที่ 14-18 ถึงจบสิบก้าปฐมมาสมุทธาิณสูตรว่าด้วย ปูประมาด้วยแม่น้ําไหลไปสู่สมุทรสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลาไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรตมีองค์8ทําอริยมรตมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปนสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอาริยมรตมีองค์แป ทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหนา้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหนา้ามีอมตะเป็นที่สุด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 ยี่สิบถึงยี่สิบสี่ทุติยาที่สมุทธานินสุตตะปัญจกะว่าโดยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยาสมุทธานินสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลาไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลาไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงภิกษุทั้งหลาย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 แม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ําใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ําคงคาแม่น้ํายมุนาแม่น้ําอจิราวดีแม่น้ํนาสรภูแม่น้าํามหีมม ah e. ทั้งหมดไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรมีองแปด ทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกสุเมื่อเจริญอเริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมะตะเป็นที่สุดละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอยางลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดภิกษสุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหล ทุติยาที่สมุทท่านนิณะสุตตะปัญจกะที่20ถึง24จบหมวดที่สว่าด้วยธรรมอันอย่างลงสู่อมตะมี12สูตร25ประทมะปาจี น, นิณะสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลายไปสู่ทิศปราจีนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอาริยมรรคมีองค์8ปดทำอาริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานและถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลปฐมมะปาจีนิณะสูตรที่ยีห้าจบ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 แม่น้ำอจิรวดีหลไปสู่ทิ่ปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิ่ปราจีนแม้ฉันใดภิกษุข้อันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำโสรภูหลไปสู่ทิ่ปราจีนบาไปสู่ทิ่ปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุข้อันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำมหีหลไปสู่ทิปราจีน บาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคา China, แม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำาสระูแม่น้ำมหีทั้ mm. ทงหมดหลไปสู bronze, ament, ่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใด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 จเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอาริยมรรคมีองค์8ปดทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลทุติยาีิปาจิ น, นิณสุตตะปัญจกะที่2 6สถึงสจบส mm hmm. 1อปฐมมาสมุทธานิณสูตรว่าด้วย อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทรสูตรที่หนึ่งพิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สมุทรปลาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิสูตก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอาริยมรรคมีองค์8ปดทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอาริยมรรคมีองค์แปด ทำอรียามักมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนเป็นสู่นิพพานละถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์แดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหละพระถมมาส ม, มุทธานิณนะสูตรที่ส1เจบ สาถึง36ทุติยาที่สมุทฐานีนสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยาสมุทฐานีนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ํามยมุนาไหลาไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำอจิรวดีไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสระผูไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำมหีไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทร ลากไปสู่สมุทรแม้ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำสารภูแม่น้ำมห ah e. ีทั้งหมดลหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม้ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์ป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 โอนไปสู่นิพพานละถึง8จเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหล ทุติยาที่สมุทธา น, นีนสุตตะปัญจกะที่32ถึง36จบทุติยคังคาเปยาลวักที่10จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมปาจีนิณสูตรสองถทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะปัญจกะ 7. ปฐมมะสมุทธนณีณสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทธาณีณสุตตะปัญจกะ 13. ปฐมมปาจีนิณสูตร 14-18 ทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะปัญจกะ19 ปฐมมาสมุทธานินสูตร 20- ี่ิถึงยีทุติยาที่สมุทธาณินาุตตะปัญจกะ25ปฐมมาปาจีนินาูตร2 6ี่ถึงสาทุติยาที่ปาจีนินสุตตะปัญจกะ3ามสิบปฐมมาสมุทธาินาูนย์สิบสองถึง3 6ทุติยาที่สมุทธาณินาุตตะปัญจกะ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 ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอารีมักมีองค์8ปดทำอารีมักมีองค์8ให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอารีมักมีองค์8ปดทำอารีมักมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสะะักคะละถึง8 เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักะภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอาริยมัคมีองค์8ปดทำอาริยมัคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญา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 ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอรียมักมีองค์แปดทำอเรียมักมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอารียมักมีองค์8ทำอเรียมักมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันมีธรรมมีการกาจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง8ด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 ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์8ทำอาริยมัคมีองแปดให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอาริยมัคมีองค์8ทำอาริยมัคมีองแปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดละถึง เจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัคมีองค์8ทำอริยมัคมีองแปดให้มากอย่างนี้แหละิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญา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 ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอเริยมักมีองค์แปดทำอเริยมัสมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาณเจริญอเริยมักมีองค์แปดทำอเริยมักมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอ น, น้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสูนิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมักมีองค์8ทำอริยมักมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แหลตถาคตสูตรที่หนึ่งจบ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 เลิศ ก, กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะ ละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในวัวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัติมีองค์8ทำอริยมัติมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลปละทัสสูตรที่สองจบ สถึง7กูตาที่สุดตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีคูตาสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายกรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอดยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่ากรอนเหล่านั้นทั้งหมดแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงพึงเพิ่มข้อความให้พิดารเหมือนสูตรต้น กลิน่นหอมที่เกิดจากรากชนิดใดชนิดหนึ่งกฤิศนาชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากรากเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงกลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน กลิ่นหอมที่เกิดจากดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ก, กว่ากลิ่นที่เกิดจากดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงพระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งหมดย่อมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน และถึงกูตาที่สุตตะปัญจกะที่สถึง7จบ8ถึงส0จันที่มาที่สุตตะติกะว่าด้วยพระสูตรสามสูตรมีจันที่มาสูตรเป็นต้น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 ย่อมส่องแสงแผ่สแสงจ้าและแจ่มกระจ่างแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงผ้าที่ทอด้วยได้ชนิดใดชนิดหนึ่งผ้าแควนกาสีชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าผ้าเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่า เลิกกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรตมีองค์แดทำอริยมรตมีองค์แดให้มากพึงเพิ่มข้อความให้พิดารเหมือนตถาคตสูตรจันที่มาที่สุตติกะที่8ถึงส0จบอับปมาทวักที่ส1บอจบ พระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปทะสูตร 3. าูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมสูตร 9. สุริยสูตร 10. วัททะสูตร